เป็นไงกันบ้างวันนี้ทำวันร่วมกันประสบการณ์ทั้งวันวันนี้ของพวกเราที่อยู่ในโลกใบนี้อยู่ชุมชนชุมชนนี้วัดป่าสุกโตทำอะไรบ้างเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่า น, นเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องของการกลับมาดูแลกายใจของเรา ก, การใช้ชีวิตดำเนินชีวิต <Yeah. S 1> วิถีของชุมชนของสังคมแ <Yeah. S 1> ง่น้อยวันนี้เรามาทำวัดเย็นร่วมกัน <Yeah. S 1> ในสาทยาใมน <Yeah. S 1> ใดยเพราะใจบทสวดที่เรียก ว, ว่าหัวใจของอุสนาเลย <Yeah. S 1> การละช่วยทำดี ํำระจิตมันเป็นบันไดไต่ของชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตที่เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันละเชื่อคือสิ่งที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนเพืเ่อ น, นก็ไม่ทำทำดีอะไรดีก็ทำไปดีแบบไหนดีดีมากดีที่สุด ภาวนาชำระจิตก็คือบรรทินเครื่องเจ้ามองทั้งหลายนะการปรุงแต่งนะแล้วว่าบิญญาณนะสิ่งที่มันเป็นนะนะความรู้แต่ว่ามันรู้ทาให้เกิดภพชาตนะิอันนั้นก็เป็นความรู้ที่นะมันย้ำให้ทุกข์อยู่เป็นความทุกข์อยู่ ว่าถ้าเป็นความรู้นะที่มันรู้แล้วก็กลายเป็นเรื่องของนะการไม่ติดไม่ยึดเนฉะพาะหน้าเฉพาะหน้ า, า, นาเป็นธรรมชาติไปการคิดการพูดการทําเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแล้วก็แล้วไปนะเป็นแค่อาการกิริยานะตัวนี้นำะพาถึงมากถึงผลทีเดียวทนะ้ายสุดก็คือความเป็นปกติของจิตเป็นะปกติอยู่ตลอดต่อนเนื่อง ใช้กาย ใ, าใช้วาจาใช้จิตใจเป็นธรรมชาติปกติปกติอันนี้แหลมจะเหมาะแก่การงานทำงานทำการได้ทั้งวันมันก็เรียกว่ามีพลังอยู่นะพลังของกายของใจพลังของนะธรรมชาตนะิที่มันสร้างสรรค์ทีเดียวนะเกิดคุณเกิดก้ามากมายและวเกินทั้งวันนะนะเราได้เห็นอะไรกันบ้างวันนี้นะเห็นโลก ทางตาทา ง, างหูจมุลินไกาใจสัมผัสนะภายนอกนะโลกภายนอกเป็นยังไงบ้างเราดูการต่างๆเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนี่นะเพื่อนรวมโลกของเราเป็นไงบ้างนะทั้งบุคคลหนึ่งสอสสัตวนะ์12ึสอามตัวหนึ่งสองสามในเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรกันบ้างนะเขาก็อยู่ใช้ชีวิตของเขา้วเราก็ใช้ชีวิตของเราแต่ว่าบางทีมันก็โคจรมาพบกันนะ ก, ก็มีธรรมชาติของเขานะ เรมีธรรมชาติของเราเรากเกี่ยวข้องกันอย่างไรด้วยเมตตากรุณาเมื่อเท้าเบียขาไหมอย่างนีน้ได้ประโยชน์ก็เรนะียกว่าเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําจิตมีน้ําใจนะแล้วเราเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรอนะไรตัวกระทบสนะัจจะอะไรสิ่งต้นไม้ใบายยาหญ้าฤดูกาลนะหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมได้เห็นรายละเอียดเหล่านี้หรือไม่ อาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเลยว่าการคิดการปรุงหลงเผลอไปเท่าไหร่กลับมาได้มากไหมเรามีหลักกรรมฐานกำลังพัฒนาสติอยู่จเจริญสติอยู่สติค่อยๆจเจริญขึ้นมาทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวก็ะทบสัมผัสมันก็รู้สึกตัวทันทีไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในรูปตามนามธรรมสติมันก็ เรว่าพัฒนาจ้องทางเป็นเรื่องของการชำระจิตตลอดเรียกว่าสลัดคืนสลัดคืนสลัดคืนเป็นเรื่องของไม่มีราคาไม่มีราคามันเป็นอาการภายในเรียกวิบราคาบีราค า, ม า, คาไม่มีราคาตลาคะก็คือมันมีราคาทางตาก็มีราคาพอใจไม่พอใจอย่างง้ หรือว่ามันเป็นความถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือลักษณะของเหตุผลนะมันจะมีหลักวิชามากํากับมากมายเหลือเกินเช่นวันนี้ช่างไป ม, มาฮะช่างที่ทําศาราขวาขมือมมินไปมาเนื่องจากเมื่อวานมีการลองภูมิลองของะวา ง, งง่ายก็คือช่างก็บอกก็ทําได้งานจินเนี่ยเราก็ดูแล้วมาที่ไรก็นั่งคุยมาที่ไรก็สุบปรีคอย เป็นอย่างนั้นจริงๆริเราเนาะทางานกันเนาะแล้วก็นั่งซึมบางทีก็ยืนเมาไม่ได้คุยเรื่องงานก็คุยเรื่องสนุกเฮฮาไปนอกตัวเพอร์เจอร์ส่อเสียดคําหยาบโกหกไปงั้นเราเห็นแล้วเน็มต้องบอกต้องชี้กันบ้างเนาะพฏิบัติบางๆนะกลุ่มไม่มีเข้ามาเออดีไปดีอยู่กับช่างหน่อยจะสอนช่างนิดหนึงป ร, กรากฏยัดงานใหญ่เลยเมื่อวา น, นทั้งวัน จ้างสามคนยัดให้ยัดให้เพราะว่าช่างมันต้องได้ดิ่งได้ฉากนะครูต้องมีนะแล้วมีครูทีเดียวหลักการทํางานต่างๆ่างานก็สร้างมีครูครูคือดิ่งครูคือฉากนะระดับน้ําระยะพวกนี้ต้องเคารพเลยนะทีนี้เราก็จ่ายงานคนนั้นหยิบไปนี่คนนี้หยิบไ้นั่นเอาทํางานกันตลอดต่อเนะื่องเอากันหมดวันไม่ได้สูบบุหรี่เลยไม่แต่บุนเดียวมาไว้นะ ก็เห็นรหัสละวันเนี้ยมันต้องไม่มาแน่ๆนเลยแต่ก็สอนนะในไหนก็จะไม่มาแล้วเนะี่ยสอนเต็มที่ปรากฏไม่มาจริงทํานายแต่เมื่อวานละ้ะเมื่อเช้าไม่มาะวันนี้ก็เลยอตัดสินใจเดี๋ยวทาเองไม่อยากร้องงานแค่นี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะทํางานด้วยหัวไม่ได้ทำงานด้วยแรงก็ตอนบ่ายก็ทํามีพระแจ็คมาช่วยกันนะ ก็เห็นวพอแล้วล่ะถ้ามามากก็ไม่ได้ไประโยชน์หอกมาในน้อยพอดีพดนะีมีช่างอีกค น, นจากแม่สายที่จะฝึกงา น, นให้ยังหนุ่มยังน้อยอยู่ไ ม, ม่อะไรจะได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีฝีมือต่อไปจากช่างสีมาเป็นช่างไ ม, ไม้เหม็นเป็นอะไรเลยจะได้เป็นสารพัดช่างอยู่ในตัวรู้รอบไปเลยก็เลยขึ้นไปทําอยูนะ่ช่วงภาคบ่ายเนี้เพราะว่าดีท็อกมาวันนี้เป็นวันที่ขับถ่าย ก็ถือว่าเรียวแรงมันก็ยังพอมีใช้อยู่เนะมื่อเช้าถ่ายก็มีก้อนนิ้วออกมา100ร้อยกว่าก้อนก้อนใหญ่ทีเดียวนะก็ถือว่าสมใจหลังจากที่ตอนเพลนเราเห็นว่าเต้องเอาอาหารก็ไปก่อนแล้ ว, วเดี๋ยวมีแรงจะได้ทํางานสักครึ่งวันนี่ตั้งใจว่าจะทําให้เสร็จสักนิดก็สมความตั้งใจมันก็เสร็จตามที่ตั้งใจไว้อย่างนี้นะก็คือเรียก ว, ว่าต้องมีกรอบมีดิ่ง มีฉากมีระยะต่างๆฉันใดก็ดีโยมหาตัวกรรมฐานมันก็มีกรอบของรูปกทมนาำทำกายเวินาจิตธรรมเราก็ต้องไปทิ้งฐานฐานกายคือฐานกายเมือ่อใดก็ตามที่มันหลงเข้าไปในความคิดกันตรงไม่ทำไปแก้ะลมมันตรงนั้นนะกลับมาที่ความรู้สึกจบเลยมันก็ง่ายขนาดนั้นนะมันก็ตั้งเสาเอาดิ่งระยะว่ามันก็จบแค่ตรงนั้นแค่ดิ่งแค่ระยะ ทั้งดิง่งเราก็ดูเส้นบนเส้นล่างแนวเสามันก็มีหลักของมันอยู่ไม่ทิ้งวางสายตาไปจากจุดที่เราเอาหลักมันอยู่พอมันได้ปับ๊บแน่นอนแล้วเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นระยะก็เป็นการเช็คบนเช็คล่างระยะเท่าไรเพราะนั้นการวัดระยะยาวความสูงความยาวใช้ตลับเมตรใช้ไม้บรรทัดนะกิโลต้องใช้ช่างน้าหนัก น้ำก็ต้องวัดด้วยกระดาษลิสมัวัดได้เลยกดด่างเป็นยังไงอย่างนี้นะลมความเร็วแต่าไหมันมีการวัดด้วยบารอมิเตอร์ตรงไปตรงมานะจิตของเราก็เหมือนกันวัดได้ทันทีการมาวัดมาว่าไปฏิบัติธรรมมันวัดทันทีนะทุกครั้งที่รู้สึกปกติหรือเปล่าบางคนนี่หนักมากยกไม้ยกเหมือนักหนักต้องทำมนยกของมีน้าหนักสัก5้ากิโลิกิโลแต่ว่ามันหนักนะ นันบอกถึงใจใจที่มันหนักก็คือใจที่มันไม่ปกติใจหนักก่วนใจเป็นใจบาปนะใจอคุสนใจงโง่ใจงงใจไม่ฉลาดเฉลียวไม่โปร่งใสไม่แจ่มใสไม่มีน้ําหนักไม่มีพลังละการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเรานะักการยกมือบอกถึงพลังจิตถ้าจิตปกติปั๊บมือก็ธรรมดาอยู่แล้ว่ยกขึ้นไปได้วยจิตธรรมดานะ จะส่วนใจญไปเพ่งไปกาะไปยึดนะยกเอาความคิดยกนะคิดรู้ไม่ได้สมัมผัสรู้เท่านั้นเองนะมาจับเทคนิคตรงนี้ได้ปับ๊บโอ้มันก็ได้หลักกรรมฐานมันะมรู้สึกตัวรู้กายใจมันเบาใจมันโล่งใจมันวางพอมีความคิดปับ๊บเ่อรู้เลยอะไรนหนักมันจะหนักอยู่ภายในปับแมนะ่รู้แลมีความรู้สึกจิตคิดก็รู้สึกได้งันะนะ้นการวัด จิตวัดใจปกติไม่ปกติเนี่ยมันบอกเราแล้วทุกครั้งที่รู้สึกตัวโดยการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจรู้กายทําอะไรใจทําด้วยกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนั่งอยู่นี่ใจก็ต้องอยู่นี่ทํางานก็จดจออยู่กับงานมันไม่ออกหรอกไปเรื่องนั่นเรื่องนี้เร่องนูนมันรู้อยู่งานความสําเร็จของงานอยู่ตรงไหนเป้าหมายอยู่ตรงไหนขั้นตอนของงานเป็นขั้นเป็นตอนอยังไง จบอันนี้ทําให้นี่ต่อจบอันนี้วางอันนี้จับให้นี่ต่อมันก็สนุกงานนะทํางานเนะี่ยเพราะทํำด้วยเหมือนกับไม่ใจไม่ได้ทําอะไรมันทําด้วยความรู้พาทำมใีความหลงพาทำดังนะนั้นคนบาราณเนี่ยก็ทำงานด้วยจิตธรรมชาติไม่งั้นไม่สามารถยกหินเป็นสิบตันยี่สิบตันขึ้นไปนู่นวางอยู่บนที่สูงเป็นร้อยเมตรนู่นพีระมิดอียิปต์เนี่ยกยกหินขึ้นไปได้ไงก็ทํางานด้วยความสนุกนะ ทำงานว่าไม้ไดเดาอะไรถ้าทำงานเอาอะไรแล้วหนักทำงานจะเอาเงินอย่างเช่นคนงานมาถึงถามเลยจะให้ผมเท่าไหร่อาจารย์ให้ผมเท่าไหร่มาก็บอกเลยทำให้ดูก่อนที่เดี๋ยวจะบอกให้ให้เท่าไหร่แต่ยังไม่เห็นงานยังไม่บอกทําทำให้ดูก่อนมาถึงเรียกค่าตัวนะี่คือทำงานางนี้นมันจะหนักงานเบาเป็นงานหนักงานง่ายเป็นงานยากกรรมฐานก็นเหมือนกันแหละ มันจะยากตรงไหนกระบอยเกลือนไหวรู้สึกกลัวถูกหลอกอะารมันยากทิ้มกันศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีพระนิสัย C 5พละ5ต้องมีความเชื่อเบื้องต้นวความเคลื่อนไหวแต่ละจังหวัดความรู้สึกตัวแต่ละขณะเป็นปัจจุบันแต่ละขณะนานพาไปถึงนิพพานทุกครั้งที่รู้สึกตัวนั้นหลักเืนนิพพาน ธรรมีสัตตาความเชื่อให้ปัญญามันก็เกิดทุกครั้งอยู่แล้วทุกครั้งที่มันสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวรู้สื่อๆรู้เฉยๆรู้ไม่เอาอะไรรูปแบบไม่ได้ทําำเลยยกเหมือนไม่ได้ยกเหมือนันเป็นตัวปัญญาเป็นอุเบกขาทำอยู่แล้วมันเป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วมันเห็นเห็นถูกอยู่แล้วมันเป็นองค์ความเพียรอยู่แล้วว่าทำแล้วมันอร่อยกรรมฐานทําแล้วสนุกทําลำรัวเออเพลิดเพลินมารู้สึกโล่งว่างรู้สึกแบบมันเบาเนื้อเบาตัว เมื่อก่อนนะเราหนักอกหนักใจแบกลูกแบกหลานแบกบ้านแบกด้วยสารพัยดยศถาบรรดาศักดิ์แบกไว้ยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเพื่งจะมีความสุขอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้เอาอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเนื้อไม่ได้กินนืไม่ไ้องนั่งกระดูกแขนก็ไม่ใช่แต่เรืองใครทําใครได้แต่ว่าได้คือมันไม่ได้อะไระมันถึงเบาอกเบาใจทั้งเอามันก็หนักวางก็เบา นการวางใจวางยังไงก็เคลื่อนไหวก็วางไม่วางเมื่อยเป็นซะก่อนสิตอนนี้ก็จะไปหยิบปริพเทศความกังวลสิห่วงบ้านห่วงช่องห่วงการเดินทางห่วงการเรียนรู้ที่จะพัฒนาจากการจํจาำบูชารย์คนนั่นแห่งนั้นบูชารย์คนนี้หวันนี่ก็ไปยึดคนนั่นคนนี้คนโน้นล้วไทยสุขหนักอกหนักใจทำไม่ได้สักทีโอยไม่ต้องเอาอะไรหรอกเอาแค่เคลื่อนไหวรู้สึกสัมผัสกระทบสัมผัสกระทบเนี่ย บนะริพนฺกระดูตัดวางออกไปแล้วนะทำแบบไม่ได้เอาอะไรรนะาคาก็ตัดลงไปแล้วปทิฆาก็ไม่ได้เอาแล้วรู้สื่อๆก็เป็นปกติตรงนี้แหลนะเป็นวิชากรรมฐานนะวิชาทิพาเรานะเรียกว่าทำให้เห็นตัวเองชัดเจนหรือเกิดเห็นช่องทางของมรรคผลนิพพานนะทุกครั้งที่ ม, มีความรู้สึกตัวเป็นปกติ ยกครั้งหนึ่งกับปกติรู้จึกสองครั้งกับปกติรู้สึกรู้สึกทําให้ปกติปกติรู้จึ ก, กต่อไปองูเดินทางหนทางก็เป็นหนทางที่มันสว่างสวัยนระัดรัดั้นๆตรงลงไปเลยที่ความรู้สึกตัวตรงต่อพ่านิพ่านทันทีทุกครั้งที่ดูอยู่รู้อยู่นะผ่านทันทีไม่ทุกทันทีโอ้เพราะนั้นเป็นการงานที่มันสะดวกมากๆ หลวงตัวเทียนจำเป็นทแค่สองวันถ้าพูดถึงว่านะการกระทำทำไมทํางานชิ้นนแค่สองวันก็เชื่อว่าอย่างนั้นทําไมพระองคนะ์เมื่ อ, เ ล, อเลือกเดินทางสายการนะมีเวลาอยู่แค่หนึ่งวันนะมันเป็นเดินหกเดือห้าบรรลุธรรมเลยเอ๊ะทําไมทําง่ายๆเอ๊ะทำไมเราทํามันยุ่งยากทั้งๆหลวงเทียนกระทำทา ย, ทา ย, ทายนะคนที่ทําความรู้สึกตัวเนะี่ยถ้าทําถูก ถูกจริงๆเลยเกินไหวรู้สึกต่อเนื่องถูกต้องนะไม่เกินหนึ่งวันถึงสมเดือนเก้าสวันไม่เกินนะยังไงยังไงก็ไม่เกินให่น้อยต้องรู้สภาพว่าของรูปน้ำถ้าทายถึงแก่นว่าถ้าทําไม่ได้ยินดีจ่ายเงินเดือนให้เลยเจ่าเดือนแล้วเท่าไหร่ก่อนมาปฏิบัติทำได้เงินเดือนเดือนนั้นเท่าไหร่ จะจ่ายให้เลย ท, ทันทีสามเดือนคูณไปเลยหนึ่งพก็บสามพันเอาไปเลยสามเดือนแต่ขอให้ทํางี้จริงๆนะเคลื่อนไหวรู้สึกจริงๆสามเดือนหลวงพ่อรับรองเลยว่าไม่ทุกนะไม่ต้องเป็นพระรหันต์ก็ได้นะแค่เอาความไม่ทุกขพอแล้วขนาดานหนึ่งไม่ทุกไม่ทุกหลวงพ่อจะเดินดินกินข้าวแกงไปกับพวกเราไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดนะ จะเป็นอย่างเรานี่แหละถึงขั้นว่าออจะไปสอนสิ่งนี้นะกับลัทธของต่างศาสนาจะยอมไปใส่ชุดของเขาเลยเราจะไปสอนพวกอิสลามพวกบัณฑ์ล้วงต่างๆดูสิเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เกี่ยวที่เครื่องแบบนะไม่เกี่ยวภายในของเรานะจะพาวราเข้ากานะันกระทําที่มันถูกต้องตรงแล้วก็ต่อเนื่องนะมันก็พาไปสู่ความเป็นอริยะบุคคลนะผ้าอริยะสงฆนะ์ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวจรงิง มันก็ตอบเราอยู่แล้วชีวิตพรมัจจันย์มันอยู่ตรงไหนนะะเพราั่นมาวัดต้องชัดเจนนะกวบรูปแบบของกายของเวลาของจิตของธรรมมันคืออะไรนะเห็นอยู่นะที่กายที่ใจของเราตรงๆนะเห็นด้วยสติตัวปัญญายของเราแล้วก็เป็นสติปัฏฐานด้วยนะสติที่กลับมารู้เนะื้อนะรู้ตัวเรนะาต้องเห็นตัวเองชัดเจนรู้จักบุญแน่นอนรู้จักบาปแน่นอนนะ เห็นกรรมเห็นธรรมแน่นอนกรรมดีกรรมชั่วเป็นยังไงนะกรรมที่เรียกวุชลกรรมอาุศลกรรมเป็นยังไงต้องเห็นมันไม่พ้นหรอกนะในสายตาของสติของความรู้สึกตัวนะเห็นธรรมาชาติเป็นยังไงความเป็นปกติความเป็นเช่นนั้นเองนะความไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรมันมีอยู่จริงๆนะแต่ว่าทาหน้าที่จะทำแล้วไม่ทำอะไรทำแล้วเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะทำแล้วไม่ได้เอาอะไรมันมีอยู่เพราะนั้น วางกะเบาเอาขระนักละ่ะทําเหมือนไม่ได้ทําก็เบาถ้าทำเหมือนทําอะไรเหมือนได้อะไรมีตัวมีตอนติดดียึดดีมันก็แน่นอนยังไงมันก็ต้องแบกทุกข์อยู่แล้วความดีคือความสุขความสวขคือความทุกข์ไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการป็นบัติเราก็จึงไม่ได้เอาดีเอาชั่วมาได้เอาบุญเอาบาปมาได้เอาเหตุเอาผลไม่ได้เอาการเปรียบเทียบต่างๆ ถ้มาเปรียบเทียบนี่ดีนี่ไม่ดีนี่ชอบนี่ไม่ชอบวันนี้โลคปวดเบาชอบวันนี้หนักจังง่วงจังไม่ชอบแต่มื่อจชอบไม่ชอบขอดีแล้วนะใส่ใส่ขวาขวามันไม่ตรงทิศ ต, ตรงทางขับรถสายไปสายมาเดี๋ยวก็ลงข้างทางจนได้นะีเพราะฉะนั้นหนทางปฏิบัติธรรมของเรานะก็ต้องสังเกตสักนิดหนึ่งนะมีตัวสังเกตนะมีตัวสอดนะส่สองธรรม เรียกว่าอะไรผ่านหูผ่านตาให้มันเป็นประสบการณ์การดูการรู้การเห็นทั้งหมดแต่รู้เลยไม่ได้คำตอบกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึ ก, ดกนะเดินจงกลมก็ไปดี๋ยวเพราะต้นเวลาเราไปทำเนี่ยรูปแบบนี่หนักหน่อยนะแต่พอมันหนักเลยผมเบาข เ, นะเขาเองบางทีก็ยกมือสิส่สวขวาก็ไปอนะดทนมีน้ำอดมีน้ำทนหน่อยแต่หลังๆไม่ต้องทนนะใหม่ๆ ม, มีความเพียรหน่อยนะ แต่ระยะหลังก็ไม่ต้องเพียนมันเกิดความเป็นเองขึ้นมานะเพียนเหนื่อยนั ก, ก็พักสักนิดนะพักนา น, นก็ไม่ไหวขี้เกียจเองก็ต้องเพียนต่อไปนะเป็นการเดินทางไปอย่างนั้นจริงๆทํนะางานทําการก็เป็นอย่างนั้นแหละทําขยันเกินไปมันก็เหนื่อยนะพักนานก็ขี้เกียจงั้นพอดีพอดนะีแต่พอท้ายสุดมันทําด้วยปัญญาแล้วก็นะวจะเป็นเรื่องของการทํำไปเรื่อยๆ ไม่เกี่ยวค่ะพักไม่เกี่ยวค่ะเพีย้ยนมันมีแถวรู้ต่อไปนะรู้ผ่านรู้ผ่านกรนะาดาษหนึ่งรู้ไปเรื่อยๆจากหยาบนะจังละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปใหม่ๆมีความคิดห ย, ยาบหยาบเช่ น, ะนเรื่องของตัสะโมห์พวกนะี้ยาบหยาบแต่ตอนหลังมันลงละเอียดนะเป็นราคะปฏิค่นะละเอียดพวกนีนะ้เป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆนะความกลัวความกังวลพวกนีนะ้ความฟุ้งซ่านเล็กๆมันเป็นตัวละเอียด ตัวกลางก็คือไอตัวนิว ร, รธรรมตัวที่เรียกว่าเรื่องของความง่วงพวกนี้นถ้าใครง่วงก็ถือว่าดีนะระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่กิเลสตัวหยาบนะนะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวกลางหลังจากผ่านความง่วงไปในส่วนใหญ่ยะยิ่ม อ, อกยิ่มใจมีพิติมีความสุขมันก็จะไปติดความสุขอีกก็ต้องมีปัญญามองเห็ น, นแล้วก็วางไม่ติดสุขตรงนี้นะ ก็เรีวกิเลสอย่างกลางที่มันเกิดขึ้นมาทุกครั้งมารู้ผ่านรู้ผ่ารูปผ่านมันก็จะติดอกติดใจอีกเหมือนกันประคับประคองเรื่องของความเป็นปกติหรือว่าตัวรู้ประคองตัวรู้อันนี้ท้ายสุดก็ต้องวางอีกเหมือนกันเป็นตัวปัญญาท้ายสุดก็คือไม่ออกอะไรมันตัวละเอียดไปมาเรา อ, อย่างยาบก่อนอย่างกลางก่อ น, นแล้วก็ไม่ต้องไปหามันอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ละ สภาพของทำรรนะที่มันแสดงปรากฏออกมานะไม่ต้องไปเปรียบเทียว น, นี่คือหยาบนี่คือกลางนี่คือละเอียดนะทุกครังกลับมาที่ฐานกายฐานกายแล้วท้ายสุดความเป็นปกติก็แสดงตัวเรารู้แล้วที่อยู่ของจิตอยู่ตรงนี้นะปลอดภัยสภาวพความเป็นปกติโนะดยไม่ต้องประคองความเป็นปกตินะมันมีอยู่จริงๆธรรมดาธรรมดาตรงนี้นะไม่เป็นความสดใสนะเป็นเรื่องของนะ ทางสว่างที่มันปรากฏบอกทิศบอกทางเราอยู่ตลอดเว ล, เวลานะความเป็นปกติเราก็เปรียบเทียบได้สามารถวัดจิตวัดใจของเราต่อไปจิตเป็นบุญเป็นกุศลควรหยิบเอาใช้เป็นลักษณะอย่างนี้เวลานี้ต้องหยิบเอาใชนะ้ตรงนี้คือจิตที่เป็นอกุศลนะตรงนี้เราก็เอออย่าเพิ่งใช้แต่บางจังหว่างก็เป็นกุศลได้เหมือนกันนะอย่างเช่นคําตักคําเตือนบางทีคำตักคำเตือนนะ เขเตือนนไม่น่าฟังบางทีการพูดจาหวานๆน่าฟังแต่เป็นคําหลอกลวงมันก็เลยต้องเรียกว่าใครควรผสมควรกันกลองผสมควรพุฒิศรนานี่มันผ่านมาตอนนี้ก็2555ปีสายน้าสาปีสาน้ำิ้งเยินมันเดินทางมาจนกระทั่งยาวนานเมื่อการเดินทางวันหนึ่งวันนึงวันนึ่งนะยาวนานแต่ครั้นี้มันเดินทางมาถึง2555ปี สายน้ำก็ใหญ่ขึ้นเป็นแม่น้ำเราขุนขึ้นนะมิตรกอนมากมายเหลือเกินมันก็ไม่เหมือนต้นน้ำอันนี้เปรียบเทียบว่าพระองค์ทนระงให้ธรรมะที่เป็นความบริสุทธิ์สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยจากการฟังก็ตามเช่นอัญญากุัญญนะจนทั้งนะท้ายสุดนะพระสงรูปสุดท้ายก็คือสุภัทธะปริภาชก อันนั้นก็ต้องมีการเดินจงกรมกันซะแล้วทางกลางแสนจั น, นในวันเพ็ญเดือน6ที่ดับคันบริิญาผ่านผิดกับวันที่สอนธรรมอัญญาคุรัญญานั่งฟังธรรมจักขภาะสูตรแล้วก็บรุธรรมหรือว่าไม่กระทั่งอธิตาวริยยสูตรพูดกับจดินสามพี่น้องโอเวลกะสปะสีหกยา ก, ส ป, กสปะนาฏกสปะพูดถึงไฟบูชาไฟนะ ไฟที่ควรบูชาไฟที่ไม่ควรบูชาไฟภายนอกภายในไฟโทสะโลหะเอไฟโทสะโมหะโลภะนะอันนี้เป็นไฟที่มันเกิดภายในจิตใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นไฟเหล่านี้ไม่ควรบูชาไฟในควรเอาออกไฟนอกควรเอาเข้าไฟในไม่ต้องเอาออกไฟนอกนอกเอาเข้ามันมีอย่อะสอนเรื่องไฟอยนั้นเกิดการบรรลุธรรมขึ้นไห ก็เลยได้เห็นว่านั่นคือสมัยสองพันกว่าปีเดี๋ยวนี้มัการเดินทางมายาวนานนะเปรียบเหมือนแม่น้ําที่มันขุนนะมันใกล้ทะเลนะความเค็มก็ไหลเข้ามาเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนะักวัตกรนะสารพัดแม่ธานนะุมันก็ต้องรู้จักกันกรองนะเวลาจะเดิมกินนะก็ต้องกันกรองจนสะอาดที่สุดนะก็เรียกว่าต้องมีธรรมวิญญาณสอดส่องทำภายในนะรู้จักกันกรองเลือก วันนั้นพระเจ้าถึงพูดถึงใบไม้กามือเดียวว่าธรรมะที่เราสอนทั้งหมดนี่กมือเดียวเท่านั้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดสาวกรู้ไหมใบไม้ในมือกับในป่าอันไหนมันมากกว่ากันในป่าพระเจ้าค่ะใช่แล้วธรรมะที่เราสอนหยิบมือเดียวก็คือใบไม้ในมือเราเนี่แหละใบไม้ในกำมือโปรยลงไป <c oughs> นี่แลก็คือเรื่องของหม า, หาตีฐานสุด การที่มีสติมันเป็นใบไม้กับมือเดียวระดัยสุดมันจะเกิดคุณธรรมต่างๆมากมายนั้นท่านจะล้วงท่านเองใครปฏิบัติก็รู้ด้วยตัวของตัวเองอย่างนี้ น, นะนั่นเราก็จึงมีความเชื่อศรัทธา บ, บุคคลญาเชื่อว่าไอ้สิ่งลอาลังทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานจริงพิสูจน์ได้ความทุกข์ที่เคยมีก่อนที่จะเข้าวัดเข้าวาบวชกันตอนนี้มันเบาบางละลายหายไปเราก็เชื่อละล่ะ เวลามีความคิดเกิดขึ้นมารู้เท่ารู้ทันเราก็เชื่ออันนี้เราเชื่อตัวเราไม่ต่อยใครมาบอกว่าคุณรู้สึกตัวแล้วคุณบรรลุธรรมแล้วไม่ต่อยใครมาบอกเรารู้ของเราเองความไม่ทุกข์มันปรากฏแต่ว่าปรากฏเพราะเหตุอะไระเรารู้ผลแล้วก็หาเหตุแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้คือเหตุความรู้ึกตัวท้่เกิดผลขึ้นมา <S <S เป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลนี่เป็นการเดินทาง แล้วเราก็มีความขยันนะวิริยะนะบวกด้วยสมาธนะิตั้งมัน่นทำอะไรก็ทําจริงมีความเพียรอยู่ในตัวเพียรตั้งมั่นในสิ่งที่เรากําลังทําอยูนะ่งานก็สําเร็จนะแล้วก็รวดเร็วทันอกทันใจอย่างเงี้ยนะสติการรึกรู้อยู่ตลอดไปลมเวลานะมันก็เหมือนกับมือของเราเนี่แหละนะมีศรัทธาบวกปัญญาทวงมาไว้อางเ้ยิริยะทวงด้วยสมาธิอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวสตินําไปเป็นหัวจรวดเลย พุ่งตนทิศ ต, ตรงทางท้ายสุดมันก็พาไปสู่วงโคจรเรียกว่าสุญญาตาหรือเรียกว่าอาวกาศคือว่าได้แต่เป็นญาณอาวกาศตรงนั้นมันไรแรงน้มถ่วงตอนในจิตใจของเรามันก็ไล่แรงดึงดูดกับดักของอิเลสเราก็พ้นออกมาจากวงโคจรที่ทำให้เราไปสู่ภพชาติชะลามลณะเปลียนใบตายตเกิดนะนี่เป็นคำเปรียบเทียบให้ฟังเพนะระนั้นการงานของเรากรรมาฐานกรรมาฐานกรรมาฐานนะ ทำอะไรก็จะเป็นกรรมฐานไปหมดนะการคิดการพูดการทำนะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอย่างนั้นนะอันนั้นจะนิเห็นว่าพูดตามสมควรกาลานะอาละกกับ พ, พร้อมกัน